สวัสดีครับเรื่องเล่าสยองขวัญขอนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องล้อมวงเล่าเรื่องสยองขวัญรอบกองไฟเมื่อหลายปีมาแล้วตอนนั้นเป็นช่วงปีใหม่ผมกับครอบครัวก็กลับไปเยีย่ยมญาติที่ต่างจังหวัดกันพอตกเย็นพวกผู้ใหญ่เขาก็หาฟงฟืนก่อไฟเพราะอากาศมันเย็นใช้ได้เลยพอพวกผู้ใหญ่ก่อไฟกันเสร็จแล้ว พวกเด็กๆซึ่งตอนนั้นรวมถึงผมด้วยก็พากันวิ่งกลูเข้ามานั่งผิงไฟรอบๆตอนแรกก็นั่งฟังผู้ใหญ่ก็คุยกันไปปกติแต่พอเริ่มดึกบรรยากาศมันก็พาไปโดยความที่มันเป็นชนบทมองไปทางไหนก็เจอแต่ต้นไม้ใหญ่ๆเพราะเขาทำสวนกันเยอะอากาศเย็นๆแถมเป็นคืนเดือนแรมอีกหัวข้อรอบกองไฟก็เลยเปลี่ยนเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติไป ป้าผมเริ่มเล่าเป็นคนแรกเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนหลังจากที่ป้าของผมย้ายเข้าไปอยู่ที่กรุงเทพได้ไม่นานป้าก็ได้รับข่าวร้ายจากทางบ้านว่าเพื่อนของป้าตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมที่อยู่ใกล้ๆกันเสียชีวิตเพราะแขวนคอตายในบ้านพอป้าเริ่มเกลิ่นเกลิ่นพวกเด็กก็ค่อยๆขยิบเข้ามานั่งชิดกันมากขึ้น เพื่อให้รู้สึกอุ่นใจป้าชี้ไปที่บ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่งที่อยู่หลังข้อควายออกไปไม่ไกลเท่าไหร่คือแสงสว่างตอนนั้นก็มีแค่กองไฟนั่นแหละครับเดินจากนี่ไปไม่กี่ก้าวก็มองอะไรไม่เห็นแล้วแต่เพราะหลังคาสังกสีของบ้านหลังนั้นที่สะท้อนกับแสงประจันทร์ลางๆเลยทำให้พอเดาได้ว่าตรงนั้นมีบ้านปลูกอยู่จริงๆ พวกผมก็มองตามนิ้วป้าไปก็พอจะจับใจความได้ว่าเรื่องที่จะเกิดขึ้นต่อไปต้องมีบ้านหลังนั้นเป็นฉากแน่ๆเรื่องมันเกิดขึ้นหลังจากที่ป้าสํารีแกแต่งงานครับแต่เดิมที่ตรงนั้นก็ไม่ได้เป็นบ้านคนหรอกเป็นแค่ป่าไผ่รกๆพอป้าสํารีแกใกล้จะแต่งงานแฟนแกก็เลยมาปลูกเรือนหอขึ้นที่นี่ ซึ่งก็เป็นที่ของพ่อแม่ป้าสำลีแกนั่นแหละครับแฟนป้าสำลีแกเป็นคนหน้าตาดีก็เป็นธรรมดาที่จะมีคนนู้นคนนี้เข้ามาเกาะแกะบ้างแต่ป้าสำลีแกใจกว้างก็เลยไม่ได้อะไรมากก็คบกันมานานจนได้แต่งงานกันวันแต่งงานของแกป้าผมยังไปร่วมแสดงความยินดีอยู่เลยครับหลังจากแต่งงานไม่นาน ผู้ชายก็เริ่มจะออกลายกลับบ้านดึกบ้างหรือบางวันก็ไม่กลับบ้านเลยจนป้าสัมฤติแกเริ่มน้อยใจแล้วก็มีปากเสียงกันอยู่เรื่อยๆฝ่ายผู้ชายเองก็คงรำคาญป้าสัมฤติก็เลยยิ่งทำตัวเสเพลไปกันใหญ่จนชาวบ้านเขาดินทากันไปทั่วป้าสัมฤติแกทนไม่ไหวเลยตกลงกับแฟนแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไร มีอยู่ครั้งหนึ่งด้วยความน้อยใจแกเลยขู่แฟนแกว่าท่า น, นีไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นอีกแกจะผูกคอตายให้ดูเรามาถึงตอนนี้พวกผมก็ขนลุกเกลียวกันเลยครับแทบจะกระโดดไปนั่งตักผู้ใหญ่กันเลยคงเป็นเพราะที่ที่เรานั่งกันอยู่มันห่างจากบ้านหลังนั้นแค่ไม่กี่ก้าวด้วยมันเลยรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในเหตุการณ์ยังไงก็ไม่รู้หลังจากที่ป้าสมรี แกตัดพอกับแฟนไปวันนั้นหลายๆคนอาจจะคิดว่าแฟนแกจะกลับตัวกลับใจใช่ไหมล่ะครับคําพูดของป้าสําลีก็เป็นแค่ลมที่พ่นออกมาจากปากของผู้หญิงขี้น้อยใจคนหนึ่งเท่านั้นแหละครับวันต่อมาแฟนแกก็ออกไปทำงานแต่เช้าแต่งตัวดูดีผิดปกติฉีดน้ำหอมสะฉุนเลยแล้วแกก็หายออกไปจากบ้านหนึ่งวันเต็มๆ โผลมาอีกก็ประมาณสี่ห้าทุ่มของวันต่อมาแต่วันนี้แปลกที่ป้าสัมลีแกเปิดไฟชั้นล่างเอาไว้ปกติป้าสัมลีแกจะปิดไฟนอนตั้งแต่สองสามทุ่มแล้วครับแฟนแกก็ไม่ได้เอกใจอะไรแล้วคงลืมคำขู่ของป้าสัาลีไปแล้วแกก็ไขคุญแจบ้านเข้าไปแบบไม่สนใจอะไรพอเข้ามาในบ้านก็ถอดเสื้อคลุม ถอดนาฬิกาอะไรของแกไว้บนโต๊ะแล้วก็เดินขึ้นบันไดไปชั้นสองของบ้านที่สร้างจากไม้และปิดไฟมืดไวประมาณบันไดขั้นที่สามก็มีวัตถุขนาดใหญ่หล่นลงมาห้อยตรงเตงอยู่ตรงบันไดแฟนป้าสำมีแกก็กระโดดหลบลงมาข้างล่างตามสัญชาตญาณพอหายตกใจ แกก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นดูว่าอะไรมันหล่นลงมาภาพที่เห็นก็คือร่างของภรรยาของแกที่เพิ่งจะกลายเป็นศพไปเมื่อไม่กี่อึดใจนี้ศพยังแว่งไปมาอยู่เลยครับพร้อมกับเสียงเอียดแอดของไม้ที่เชื่องนั้นผูกเอาไว้แถมยังมีเลือดไหลออกมาจากตาด้วยปาแกผูกคอตายให้แฟนแกดูจริงๆ ป้าสัมลีใช้เชือกผูกกับรั้วกันบันไดที่ชั้นสองไว้แล้วรอจังหวะที่แฟนแกกลับมาบ้านเพื่อจะกระโดดลงมาตายที่บันไดต่อหน้าแฟนแกเพราะเหตุ น, นี้แกเลยตายคาที่เพราะกระดูกคอหักไม่เหมือนกันกันกบคนที่แขวนคอตายทั่วๆไปหลังจากนั้นแฟนแกก็ย้ายออกไปจากบ้านนั้นทันที แล้วก็ไม่มางานศพป้าของแกด้วยด้วยความเฮี้ยนของป้าสำลีทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าไปในบ้านหลังนั้นอีกเลยโดยเฉพาะเดินขึ้นชั้นสองทำให้บนชั้นสองยังมีข้าวของของป้าแกอยู่ครบมีครั้งหนึ่งโจรบุกขึ้นบ้านป้าแกเพราะได้ข่าวมาว่าบนบ้านร้างหลังนี้ยังมีของมีค่าเหลืออยู่มันก็พังประตูบ้าน เข้าไปทั้งมืดๆแบบนั้นแหละครับแล้วก็เจอวัตถุปแปลกปลอมหล่นมาจากชั้นสองลงมากลิ้งอยู่หน้าบันไดพอมันสตา์ไฟไปโดนเท่านั้นเลยครับก็แหกปากวิ่งกันออกมาจนชาวบ้านเข้าไปล้อมจับกันได้ทั้งหมดหลังจากป้าเล่าจบแกก็ปล่อยให้พวกเรานั่งพักหายใจหายคอกันสักพักเพราะเห็นนั่งตัวเกรงกันมานานพอเห็นว่าเราเริ่มหายกลัวกันแล้ว พ่อผมที่นั่งอยู่ข้างๆก็เริ่มเล่าประสบการณ์ของตัวเองบ้างตอนแรกพ่อก็ออกตัวก่อนเลยว่าเรื่องของพ่ออาจจะไม่น่ากลัวเท่ากับเรื่องที่ป้าเล่าไปเมื่อกี้พวกเราก็เลยเบาใจเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านของตากับยายครับเหมือนตอนที่พ่อกับแม่เริ่มคบกันใหม่แม่เคยพาพ่อไปให้ตากับยายรู้จักแต่ด้วยการเดินทาง ที่ค่อนข้างจะลำบากไปสักหน่อยพ่อก็เลยเพลียพอไปถึงบ้านได้พูดคุยกับตายายไม่นานพ่อก็ขอตัวขึ้นไปนอนบนบ้านเพราะด้านล่างเมื่อก่อนเป็นร้านขายของครับเป็นร้านขายของครับพ่อเลือกนอนอยู่หน้าห้องนอนที่เคยเป็นห้องนอนของแม่กับยายทวนมาก่อนก่อนที่ยายทวดจะเสียไปด้วยโรคมะเร็งเมื่อหลายปีก่อนทุกอย่างดูเหมือนจะเรียบร้อย แต่จูๆ่ๆพ่อก็แหกปากร้องขอความช่วยเหลือดินทุรนทุรายเอามือบีบคอตัวเองแล้วทาเสียงฟึดฟัดอยู่บนบ้านจนทุกคนข้างล่างตกใจกันหมดแม่กับยายก็รีบวิ่งขึ้นไปดูแล้วทั้งแม่กับยายก็ชะงักยายพูดออกมาประโยคหนึ่งว่ามันนอนทับที่ที่ทวดมึงตายแม่ผมก็เลยรีบวิ่งเข้าไปหาร่างของพ่อครับ พร้อมกับร้องบอกกับสิ่งบางอย่างว่าพาแฟนมาให้รู้จักอย่าทําร้ายเขาเลยไม่นานพ่อก็ค่อยๆสงบลงพอพ่อลืมตาแม่ก็ถามว่าเป็นอะไรพ่อบอกว่ามียายแก่ๆคนหนึ่งกระโดดเข้ามาบีบคอพ่อถามว่ามึงเป็นใครมึงมาทําอะไรถามซ้ําๆอยู่แบบนั้นแล้วก็บีบคอพ่อไปด้วยแม่ก็เลยเล่าให้พ่อฟัง ก็เป็นยายทวดช่วงที่แกป่วยใกล้จะเสียแกนอนซมอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นเวลาแม่จะพาพ่อไปที่บ้านตากับยายก็ต้องร้องบอกคนบนนั้นก่อนเสมอบ้านในละแวกนี้ค่อนข้างแรงครับเพราะหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านถูกสร้างทับที่ป่าช้าเก่าพอพ่อเล่าจบแม่ก็เล่าเสริมเรื่องบ้านตากับยายขึ้นมาอีกแม่บอกว่าสมัยก่อนนู้น ที่แม่ยังเล็กๆคนแถวนั้นจะปิดบ้านนอนกันเร็วมากแม่ก็เคยถามตาอยู่บ่อยๆว่าทำไมต้องรีบปิดบ้านปิดหน้าต่างเข้านอนแต่ตาก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังจนแม่รู้เรื่องรู้ภาษาตาเลยบอกว่าที่ตรงนั้นมันเป็นที่ป่าช้าเก่าของวัดตอนกลางวันมันเป็นเวลาของเราตอนกลางคืนก็แบ่งให้พวกเขาได้อยู่กันบ้างตาบอกกับแม่อย่างนั้น แล้วตาก็เล่าให้ฟังว่าตอนตาเป็นหนุ่มๆ ม, มีวันหนึ่งจุดตะเกียงอ่านหนังสือจนดึกได้ยินเสียงคนร้องไห้ฮือๆ อ, อยู่หน้าบ้านเลยจะเปิดประตูไปดูแต่ก็นึกขึ้นได้ซะก่อนว่าไม่ควรเลยเดินขึ้นไปบนชั้นสองของบ้านแล้วงแง้มหน้าต่างไม้ลงมาดูเห็นคนเยอะแยะใส่ชุดขาวๆเดินตามกันมาเป็นขบวน บางคนก็ร้องไห้บางคนก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรที่หน้าสุดของขอบวนที่ผู้ชายสี่คนหามคานไม้ไผ่เอาไว้ตรงกลางนั้นคือร่างไร้วิญญาณที่ถูกขอด้วยเสื้อแบบง่ายๆแล้วขบวนก็ค่อยๆเดินหายไปเข้าไปในป่าไผ่ท้ายหมู่บ้านที่ยังเป็นป่าช้ามาจนถึงปัจจุบันแต่ที่น่าขนลุกก็คือพวกเขาเป็นใคร แล้วทำไมต้องมาประกอบพิธีเอาป่านนี้เสียงกรี๊ดดังลั่นน้องสาวที่เป็นญาติญาติกันที่นั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของวงกรีดขึ้นมาเฉยๆตอนที่แม่กำลังเล่าอยู่เล่นเอาทุกคนจะดุ้งโหยงไปตามๆกันลุงเลยถามว่าเป็นอะไรแล้วเธอก็ชี้ไปที่บ้านไม้หลังเก่าที่อยู่หลังข้อควายหลังนั้นผมเลยหันมองกลับไปดูครับ ก็เห็นว่าที่ชั้นล่างของบ้านเปิดไฟเอาไว้ทั้งๆที่เมื่อกี้ยังมืดทั้งหลังพวกเด็กๆนี่หน้าเสียกันไปหมดเลยป้าเลยบอกว่าบ้านหลังเดิมเขารื้อเอาไม้ไปให้วัดหมดแล้วอันนี้เป็นบ้านที่น้องสาว ป, ป้าสำลีแกปลูกขึ้นมาใหม่แล้วเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องของลุงครับไม่มีผีแต่ออกแนวสยองขวัญซะมากกว่าเรื่องเกี่ยวกับศพไร้ญาติ มาถึงเรื่องนี้เวลาก็ปาเข้าไปสี่ทุ่มกว่ า, วาแล้วบ้านหลายหลังแถวนั้นก็เริ่มปิดไฟนอนกันแล้วแต่ยังเหลือพวกเราสิบกว่าคนนั่งผิงไฟกันอยู่บนลานดินกว้างๆใ ก, กลส้สวนผลไม้ของยายเสียงต้นไม้สีกันแล้วเสียงวิววิวของลมก็ยังมีให้ได้ยินอยู่เรื่อยเรื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านของลุง อยู่ห่างออกไปจากที่นี่ประมาณ2กิโลเห็นจะได้เรื่องมันนานมากแล้วเมื่อสมัยที่ลุงยังเป็นเด็กในหมู่บ้านมีตาแก่ๆคนหนึ่งก็อยู่บ้านคนเดียวลูกหลานก็ทิ้งไปหมดไม่มีใครกลับมาดูแลจะมีก็แต่บ้านใกล้เลือนเคียงที่คอยเป็นหูเป็นตาความเป็นอยู่ของแกบางทีก็มีคนทํากับข้าวมาเผื่อแกบ้างบางทีแกก็ต้มผัก จิ้มน้ำพริกไปตามมีตามเกิดจนวาระสุดท้ายของชีวิตแกมาถึงแกไม่ออกมาปรากฏตัวให้ชาวบ้านเห็นอยู่หลายวันจนเขาสงสัยกันคนแถวนั้นเลยให้ผู้ใหญ่บ้านเข้าไปดูว่าแกเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็ไปพบศพ ข, ของแกนอนความหน้าอยู่ที่ตีนบันไดตามตัวเริ่มมีรอยจำแดงๆผิวซีดขาวไปหมด มีมแมลงวันบินไปมาอยู่รอบๆหลายตัวพอะหายศพขึ้นมาชาวบ้านบางคนที่เห็นก็ถึงกับอาจเจียนเลยเพราะไข่แมลงวันในปากของแกเริ่มฟักตัวเป็นหนอนแล้วตาสองข้างของแกเริ่มถลนเพราะศพถูกทิ้งไว้หลายวันพวกชาวบ้านผู้ชายก็มาช่วยๆกันจัดการศพตอนนั้นลุงของผมยังเป็นเด็ก ก็ไปมุงดูเขาเก็บศพกันเห็นภาพเหตุการณ์วันนั้นแล้วจาได้ดีเพราะไม่มีญาติพี่น้องเลยไม่ได้ไกลจัดการกับศพให้ดีๆเขาก็ทําลุกลวกกันไปเพราะศพเหม็นมากเที่ยงวันนั้นเขาก็ย้ายศพไปที่วัดกันเลยเพราะปล่อยไว้นานกว่านี้ไม่ไหวแล้วมีแค่ไม้ไผ่สองลำกับเสือ่อเก่าๆืนหนึ่งแค่นั้นที่เอามาใช้ห่อศพลองนึกภาพตามๆกันดูนะครับ ตอนที่เคลื่อนศพไปไว้ที่วัดเป็นช่วงที่ฝนเพิ่งจะหยุดตกถนนเลยกลายเป็นโคลนไปหมดสร้างความลาบากในตอนเคลื่อนศพมากๆจนมีอยู่ช่วงหนึ่งคนหามศพคนหนึ่งเกิดเสียหลักล้มลงศพในเสือเละไหลกลิ้งหล่นลงไปคลุกโคลนเลอะเทอะไปหมดดูน่าอนาถมากไปถึงวัดพระก็ทำวิธีให้อยู่แป๊บเดียวแล้วสับปเปลอ ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านบางคนก็เอาศพไปเผาที่เชิงตะกรไท้ายวัดตามปกติแล้วถ้าศพไม่ได้ใส่โลงศพเอาไว้จะต้องเอาไม้หนักๆสองสามอันมาวางทับไว้เพื่อไม่ให้ศพลุกขึ้นมาตอนที่เส้นเอ็นหดตัวแต่นี่ไม่เลยจะเกิดก็เกิดเผาไปสักพักศพตาแก่ก็ลุกขึ้นมานั่งตาถลน าปากหว อ, อยู่กลางกองไฟซะเฉยๆจนพวกผู้หญิงกับเด็กๆที่ยืนดูอยู่ทนไม่ได้ก็ทยอยกันกลับบ้านไปก่อนจนคนเริ่มเหลือน้อยสับเหลอเองก็เหมือนจะกลัวเพราะเย็นแล้วเลยหนีกลับบ้านไปก่อนปล่อยให้ไฟเผาศพไปเองวันต่อมาวันนั้นลุงปวดหนักแล้วบ้านยังไม่มีห้องน้ำครับแกเลยชวนน้องชายเข้าไปทาธุระในป่า ซึ่งก็ติดติดกับป่าช้านั่นเลยครับเด็กสองคนก็เดินลึกเข้าไปจนมองเห็นเนินดินหลายหลายกองข้างหน้าก็เลยรู้ว่าเข้าใกล้เขตป่าช้าแล้วเลยปักหลักทำธุระตรงนั้นไม่เดินต่อเข้าไปอีกระหว่างนั้นน้องชายลุงก็ถามลุงว่ามะพร้าวลูกนั้นมาจากไหนลุงก็มองไปแล้วก็สงสัยแล้วมะพร้าวลูกนั้นมันกลิ้งมาจากไหนที่เห็นเป็นลูกมะพร้าว เพราะว่ามันมีส่วนที่เป็นขนขนเหมือนขุยมะพร้าวสักพักก็มีหมาจรจัดวิ่งมาคาบวิ่งออกไปพอลุงทําธุระเสร็จก็เดินกลับบ้านเห็นชาวบ้านยืนมุงๆงดูอะไรกันอยู่ลุงก็เลยวิ่งเข้าไปดูเห็นไใ้หมาตัวนั้นนั่นแหละครับกําลังกลิ้งหัวตะคนเมื่อวานเล่นอยู่เป็นรอยเคี้ยวรอยเล็บเบือบว่าเต็มหน้าไปหมด หลังเมื่อวานที่สับปลเลอนี้กลับก่อนเลยไม่มีใครอยู่เฝ้าดูศพไม่หมดหรือเปล่าจนหัวตาแกหล่นลงมาจากเชิงตะกอนแล้วหมามันก็ข้าไปเล่นในป่าช้าก่อนจะวิ่งข้ามาเตะเล่นในหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็เลยห่อหัวแกไปฝังไว้ในป่าช้าให้เรียบร้อยเพื่อให้วิญญาณแกไปสู่สุกติแล้วคืนนั้น พวกเราก็ต้องหอบหมอนไปนอนกองกันอยู่ในห้องใหญ่หมดเลยเพราะไม่มีใครกล้านอนคนเดียวเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c ไ i b ์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ